วันนี้เป็นวันศุกร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2565เป็นวันหยุดพิเศษเพื่อให้มีวันหยุดติดกัน4วันด้วยกันทางราชการจึงได้ประกาศให้หยุดทำงานเพิ่มอีกวันหนึ่งคือวันนี้ ปกติถ้าไม่มีวันนี้ไม่มีวันหยุดก็ต้องไปทำงานกันถ้าไปทำงานก็จะได้ไม่มีเวลามาวัดมาศึกษามาปฏิบัติมาสร้างบุญสร้างกุศลกัน <c oughs> สำหรับชาวพุทธผู้ฝ่บุญฝ่กุศลจึงถือว่าวันนี้เป็นวันกำไรบุญ กำไรบุญเพราะว่าจะได้ทําบุญได้สร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มขึ้นเอกสำหรับการแสดงธรรมในวันนี้ก็มีเครื่องเสริมการแสดงเพื่อมีเสียงแบ็คกราวด์ต่างๆเพื่อให้เกิดลดเกิดชาติขึ้นมา บางแผงเขาก็นิยมเปิดเพลงเป็นเครื่องเป็นเสียงสนับสนุนก่อนจะแสดงธรรมก็มีการเปิดเพลงให้ฟังเพื่อปลอบใจไปก่อนบางแห่งก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่นี่เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ เพราะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเราไปวุ่นวายกับเรื่องของธรรมชาติจิตใจของเราก็จะหาความสงบไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จักปล่อยวางธรรมชาติปล่อยให้ธรรมชาติเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่วุ่นวายใจ ใจของเราก็ยังสงบได้การปฏิบัติธรรมนี้เ้าหมายอยู่ที่การทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขเพราะว่าไม่มีความสุขอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ ก็ให้มีอะไรมากน้อยเพียงไรก็ตามความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่ได้ที่มีก็จะสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้อันนี้แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติที่แท้จริงคือการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นมาภายในใจ แล้วหลังจากที่ได้ความสงบแล้วก็รักษาให้มันสงบไปอย่างถาวรเพราะความสงบนั้นมีสองระดับด้วยกันความสงบที่เกิดจากสติและความสงบที่เกิดจากปัญญาความสงบที่เกิดจากสตินี้จะเป็นความสงบชั่วคราว เวลาใดที่มีสติก็สามารถทําใจให้สงบได้เวลาใดเผลอสติความสงบก็จะหายไปได้ถ้าอยากจะให้ความสงบที่ได้จากการเจริญสตินั้นเป็นความสงบที่สมบูรณ์ที่ถาวรหลังจากที่ได้ความสงบจากสติแล้ว ก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้คอยกาจัดกิเลสตัณหาที่จะคอยขึ้นมาป่วนใจขึ้นมาสร้างความวุ่นวายให้ขับใจถ้ามีปัญญาเวลาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาปัญญาก็จะสอนให้เห็นว่าสิ่งที่ทำให้ใจวุ่นวายนี้เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดาของโลกโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปโลกย่อมเป็นโลกย่อมเปลี่ยนไปมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นด้วยปัญญา เราก็จะได้ระงรับความอยากความต้องการให้โลกเป็นไปตามความอยากความต้องการของเราพอเราระงรับความอยากความต้องการได้ใจของเราก็จะสงบสงบกับท่านขณะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆเพราะเราปล่อยวางความวุ่นวายของโลกได้โลกจ ะ, จะเจริญโลกจะเสือ่อม โลกจะมีภัยต่างๆและโลกจะสงบปลอดจากภัยต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเปลี่ยนให้เขาเป็นไปทางความอยากความต้องการของเราได้ถ้าเราเกิดความอยากความต้องการให้เขาเป็นไปตามความต้องการ ใจของเราก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาและเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังหรือเกิดความโกรธเวลาที่เราไม่ได้ตังใจที่เราต้องการแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้โลกเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เราก็หยุดความอยากเสีย พอเราหยุดความอยากแล้วใจของเราก็จะสงบใจเย็นจะสบายไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวของโลกที่ผันไปแปรไปเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็สงบบางทีก็วุ่นวายนี่คือลักษณะของโลก ผู้ที่มีปัญญาจะเข้าใจและจะไม่ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงโลกเพราะว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้มันเป็นเรื่องของโลกที่จะเป็นอย่างนี้แต่ใจนี้จะได้ไม่วุ่นวายไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ใจจะอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆของโลกได้นี่คือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติต้องพยายามสร้างสติสร้างสมาธิคือความสงบให้เกิดขึ้นกับใจแล้วหลังจากได้ความสงบแล้วก็ให้ใช้ปัญญา คอยรักษาคอยป้องกันไม่ให้ความอยากต่างๆภายในใจนี้มาทำลายความสงบที่ได้จากการเจริญสติจากการนั่งสมาธิการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะทำได้กันไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัย เป็นหญิงก็ปฏิบัติได้เป็นชายก็ปฏิบัติได้เป็นนักบวชก็ปฏิบัติได้เป็นผู้ครองเรือนก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ทุกคนขึ้น อ, อยู่ที่ว่ามีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจที่สงบนี้ และใจที่จะสงบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเจริญสติมีการเจริญสมาธิและมีการเจริญปัญญาตามลำดับต่อไปนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจำเป็นจะต้องมีในเบื้องต้นคือมีความเชื่อในการตัดสุ ข, ของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงค้นพบวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจอย่างถาวรถ้ามีความศรัท ธ, ธาความเชื่อก็จะเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติของแต่ละบุคคลนี้เป็นการปฏิบัติที่ยากง่ายไม่เท่ากัน บรรลุชาบรรลุเร็วไม่เท่ากันเพราะว่าแต่ละบุคคลนี้มีมีบุญกุศลมีบาปติดตัวมามากน้อยไม่เท่ากันมีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาติดตัวมาไม่เท่ากันมีสติมีสมาธิมีปัญญาติดตัวมาไม่เท่ากันเพราะในแต่ละภพแต่ละชาติในอดีตนี่ เราก็อาจจะไปเจริญสติสมาธิปัญญากันบ้างมากน้อยต่างกันไปหรือบางทีก็ไม่ได้เจริญสติสมาธิปัญญาไปเจริญกิเลสตัณหาโมหะอวิชากันก็มี่างนั้นเวลาปฏิบัติผู้ปฏิบัติจึงมักจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไป เวลาเราปฏิบัตินี่เรามันไม่ต้องไปกังวลกับการปฏิบัติของผู้อื่นบางบางคนก็อาจจะปฏิบัติดีเก่งกว่าเราบางคนก็อาจจะปฏิบัติด้อยกว่าเราอันนี้มันเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ได้ทํามาในอดีตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันขอให้เราดูที่ตัวเราก็พอ ดูที่ตัวเราว่าเรากําลังเพียนปฏิบัติหรือไม่เรากําลังเจริญสติอยู่หรือไม่เรากํานั่งสมาธิอยู่หรือไม่เรากําลังเจริญปัญญาอยู่หรือไม่ขอให้เรามองที่ตัวเราถ้ามองคนอื่นก็มองให้เกิดกําลังใจเช่นมองพระพุทธเจ้ามองพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายมองว่าท่านก็เพียนท่านก็พยายาม เจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาจนได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันตสาวก พ, พระอาหารหันตสาวกแต่ละรูปก็บรรลุธรรมไม่เท่าเทียมกันบางองค์ก็บรรลุเร็วบางองค์ก็บรรลุช้าบางองค์ก็ปฏิบัติง่ายบางองค์ก็ปฏิบัติยาก แต่ในที่สุดก็สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยกันทุกองค์พอได้บรรลุถึงพระนิพพานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วความยากง่ายความเร็วช้านี้ก็จะไม่เป็นประเด็นเพราะเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็จะได้รับผลเท่ากันเหมือนนักศึกษานี้ก็มีที่ ศึกษาจบในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้ให้ก็มีบางท่านก็มันสำเร็จเรียนจบช้ากว่าก็มีแต่เมื่อจบแล้วปริญญาเขาก็ให้เท่ากันเขาไม่ได้เขียนวงเล็บไว้ว่ า, วา ป, ปริญญานสี่ปีหรือสามปีหรือห้าปีเขาถือว่ามีความรู้เท่าเทียมกัน ักในการปฏิบัติทมจนบรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดแล้วการกระทำการปฏิบัติที่ผ่านมาจะยากจะง่ายจะช้าหรือเร็วนี้ไม่เป็นประเด็นไม่สําคัญสําคัญว่าให้ได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วก็ใช้ได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วทุกทั้งหลายที่มีอยู่ในใจ ก็หมดสิ้นไปการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดสิ้นไปอันนี้เหมือนการทุกรูปทุกองคใครจะบรรลุ ก, ก่อนบรรลุหลังไม่สำคัญใครจะปฏิบัติยากปฏิบัติง่ายก็ไม่สำคัญขอให้ไปถึงจุดหมายปลายทางก็แล้วกันในทางปฏิบัตินี้ท่านก็แบ่งคนแบ่งนักปฏิบัติไว้ สีจำพวกด้วยกันพวกที่หนึ่งนี้ท่านบอกว่าเป็นพวกที่ปฏิบัติง่ายแล้วก็บรรลุเร็วปฏิบัติง่ายก็คือเจริญสติก็ง่ายนั่งสมาธิก็ง่ายนั่งสมาธิปับ๊บจิตก็รวมแล้วพอมาเจริญปัญญาก็เข้าอกเข้าใจกระจ่างแจ้งแดงแจ๋อย่างง่ายดายและรวดเร็ว บรรลุทำได้อย่างรวดเร็วปฏิบัติอย่างง่ายได้นี่คือพวกที่หนึ่งสาเหตุที่พวกนี้เป็นพวกที่ปฏิบัติง่ายแล้วก็บรรลุเร็วก็เกิดจากการที่ได้ชําระกิเลสปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตินี้มามากแล้วนั่นเองเป็นพวกที่คอยกระจัดนิวรณ์ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นใจแล้วก็เป็นผู้ที่เจริญทํามาได้มากพอมาปฏิบัติจึงไม่ค่อยมีอุปสรรคเวลาจะเจริญสติก็สามารถทำได้อย่างง่ายได้เวลานั่งสมาธิก็ทาจิตให้โดนเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วแล้วพอออกจากสมาธิมามาพิจารณา ทางปัญญาก็เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจได้อย่างรวดเร็วตรงนี้เรียกว่าเป็นพวกที่มีกิเลสบางปัญญาแหลมคมเป็นพวกที่ปฏิบัติง่ายและบรรลุเร็วพวกที่หนึ่งพวกที่สองนี้เป็นพวกที่ปฏิบัติง่ายแต่บรรลุช้าคือเป็นพวกที่ มีกิเลสเบาบางไม่ค่อยมีอุปสรรคต่อการปฏิบัติเจริญสติเจริญสมาธินี้สามารถทำได้อย่างง่ายดายรวดเร็วแต่ไปติดอยู่ที่ขั้นปัญญาคือปัญญาทึบไม่ฉลาดพิจารณาใจรักพิจารณาระยะสัสสีไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเข้าใจต้องใช้เวลา่อยควรวิเคราะห์พิจารณา อยู่เป็นเวลาอันยาวนานจนในที่สุดก็เกิดความเข้าใจขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาตามลำดับพวกนี้ถึงจึงเป็นพวกประเภทที่สองคือปฏิบัติปฏิบัติง่ายเพราะได้ชำระกิเลสนิวรต่างๆมามากไม่มีอุปสรรคเวลาจเจริญสติเวลานั่งสมาธิ แต่มาติดอยู่ที่ขั้นปัญญาเพราะปัญญาทึบพิจารณาอะไรไม่ค่อยเห็นตามความเป็นจริงต้องอาศัยการฟังการศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็อาศัยความขยันในการพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆจนวันใดวันหนึ่งก็ถึงบางอ้อถึงความเข้าใจ ก็เป็นอย่างนี้เองเข้าใจแล้วอันนี้ก็เป็นพวกที่บรรลุช้าได้สมาธิแล้วก็ไปติดที่ขั้นปัญญาพวกที่หนึ่งนี้ได้สมาธิเร็วได้ง่ายแล้วก็บรรลุได้ได้เร็วพอได้สมาธิปั๊บพอได้ยินได้ฟังธทำก็บรรลุทมได้เลยพวกที่สองนี้ได้สมาธิยากง่ายแต่ ไปมีปัญญาทึบไม่ฉลาดไม่ฉลาดมากฉลาดน้อยก็เลยต้องใช้เวลาเจริญปัญญาวิเคราะห์อยู่บ่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดถึงจะเข้าใจคำว่าอนิจจังเป็นยังไงคำว่าอนัตตาเป็นยังไงคำว่าอนัตตานี้เป็นสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครพูดไม่มีใครสอนในโลกนี้กัน ในโลกนี้มีแต่เป็นอัตตาตัวตนเป็นไม่ใช่อานาตตาไอ้ น, นั่นเป็นเราเป็นของเราแต่ไม่มีใครสอนว่าไอ้ น, นั่นก็ไม่ใช่เป็นของเราไอ้ น, นี่ก็ไม่ใช่ตัวเราจึงทําให้เกิดความเข้าใจได้ยากว่าความไม่มีตัวตนนี่มันเป็นอย่างไรแต่ถ้าวิเคราะห์ไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยววันดีคืนดีก็ร้องออกขึ้นมา เอเข้าใจแล้วไม่มีตัวตนมีแต่ตัวธรรมชาติมีแต่อนาตตาทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการทางธรรมชาติหลังขาล่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็เป็นปรากฏการทางธรรมชาติเหมือนกับการปรากฏของดินฟ้าอากาศเวลาฝนตกเราก็เรียกว่าเป็นการปรากฏการทางธรรมชาติ เวลาพายุเวลามีน้ําท่วมเวลามีภัยเรงเวลามีอากาศที่หนาวเย็นอันปรากฏการเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนเป็นผู้มาจัดการมาเป็นผู้ดําเนินการมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติฉะนันใดสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ร่างกายของเรา ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองของเราบุคคลอะไรต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็ล้วนเป็นอนัตตาทั้งนั้นแต่เรามองไม่ออกมองไม่เห็นกันเรากลับไปมองว่าเป็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆนานา สารพัดสาลเพย์แต่ไม่เห็นความจริงว่าเขาเป็นเพียงธรรมชาติปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพราะสิ่งที่ประกอบเขาขึ้นมาก็มาจากธรรมชาติทั้งนั้นก็คือธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทำมาจากธาตุเราจึงเรียกโลกนี้ว่าโลกกธาตุโลกกธาตุ เป็นปรากฏการทางธรรมชาติของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีธาตุที่5ก็คือธาตุรู้มาเป็นผู้คอยอกำกับดูแลแต่ก็กำกับดูแลได้ในขอบของความสามารถที่จะทำได้เท่านั้นเช่นร่างกายนี้ก็มีธาตุรู้เป็นผู้มาคอยกำกับดูแล เหมือนกับเป็นผู้กำกับวงดนตรีวงดนตรีนี้ถ้ามีผู้กำกับก็สามารถเล่นดนตรีไปเป็นเพลงเป็นอะไรได้แต่ถ้าไม่มีผู้กากับมันก็อาจจะเละเทะนักดนตรีอาจจะเล่นกันคนละเพลงกันเล่นแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องนี่ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนวงดนตรีมีอาการ32 ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีธาตุรู้มาเป็นผู้กํากับคอยดูแลร่างกายให้มันคงสภาพอยู่เท่าที่จะทําได้เวลามันขาดน้ําก็หาน้ํามาให้มันดืม่มเวลามันไม่มีลมก็ต้องหาลมให้มันมาให้มันหายหายใจเวลาขาดอาหารก็หาอาหารมาเติมให้นี่เกิน การทำหน้าที่ของธาตุรู้ธาตุรู้นี่ก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันธาตุารู้ก็เป็นเพียงผู้รู้เฉยๆผู้รู้ผู้คิดแต่เนื่องจากธาตุรู้นี้ไม่มีปัญญามีแต่อาวิชาคือความไม่รู้ความจริงว่าธาตุรู้นี้เป็นเพียงผู้รู้ผู้คิดจะ mm hmm. ไปคิดว่าธาตุรู้นี้เป็นตัวตนเป็นเรา เราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้มาครอบครองร่างกายแล้วบางทีก็หลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราไปด้วยเนื่องจากว่าตัวผู้รู้ผู้คิดเองนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตานั่นเองเมื่อไม่มีรูปร่างหน้าตาก็ได้ร่างกายมาเป็นเป็นเป็นส่วนประกอบ ก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวผู้รู้ผู้คิดไปนี่คือความหลงความไม่รู้ความจริงของธาตุรู้จึงทำให้มาคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตัวตนเป็นตัวเราของเราธาตุรู้ก็คิดว่าตัวเองความคิดนี้เป็นตัวตัวตัวเราเป็นผู้คิดตัวเราเป็นผู้รู้สร้างตัวตนขึ้นมาโดยความจริงมันไม่มีตัวตน มันมีแต่ความรู้ความคิดที่ทำงานไปตามธรรมชาติของมันความคิดก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความรู้ก็รู้ตามความคิดไปความคิดคิดอะไรความรู้ก็รู้ตามความคิดนั้นๆไปแค่นั้นเองแล้วก็มาดูแลร่างกายแต่ก็ดูแลร่างกายได้ในกรอบของมันเท่านั้นเองในกรอบของความสามารถของธาตุรู้ คือหาปัจจัยสี่มาให้แก่ร่างกายได้เวลาร่างกายขาดปัจจัยสี่การอาหารก็หาอาหารมาให้ขาดเครื่องนุ่งห่มก็หาเครื่องนุ่งห่มมาให้ขาดที่อยู่อาศัยก็หาที่อยู่อาศัยมาให้ขาดยารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายามารักษาันไปแต่สิ่งที่ ถ้ารู้หรือผู้รู้นี้ไม่สามารถทำได้ก็คือไประงับวงจรของร่างกายนี้วงจรของร่างกายนี้คืออะไรก็คือการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่เบื้องต้นก็มีการเจริญเติบโตเมื่อเจริญเติบโตถึงขั้นเต็มที่แล้วก็เริ่มมีความแก่มีความเสื่อมตามมา พอมีความแก่ความเสื่อมตามมาก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาจนในที่สุดก็ไปสู่ความตายการยุติการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายนี้การทำงานของธาตุสี่ของอวัยวะทั้งหลายก็หยุดทำงานธาตุสี่ที่มารวมกั บ, กบร่างกายนี้ก็แยกสลายกันไปธาตุดินก็ธาตุลมก็ไปก่อน ตามด้วยธาตุไฟตามด้วยธาตุน้ำแล้วในที่สุดก็เหลือแต่ธาตุดินนี่คือความเป็นอนัตตาของร่างกายถ้าไม่พิจารณาไม่คิดมันก็จะมองไม่เห็นมันจะไปคิดว่านี่คือร่างกายเราตัวเราของเรามันจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดเพราะว่าเราลืมคิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะเราไม่มีไม่มีใครสอนให้คิดแล้วก็ไม่กล้าคิดไม่มีใครอยากจะคิดถึงความตายของร่างกายเพราะคิดว่าถ้าคิดแล้วจะตายทันทีทันใดเหมือนกับการสราบแช่งตัวเองให้ตายตามจริงการคิดนี้เป็นการเรียนรู้ทางปัญญาไม่ได้เป็นการสราบแช่งให้ร่างกายตายไปอย่างใดจะคิดหรือไม่คิด เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายมันจะต้องตายมันก็ตายเหมือนกันแต่คิดมันดีคิดแล้วจะได้รู้ความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็นอะไรกันแนะ่มันเป็นตัวเราหรือมันไม่ได้เป็นตัวเราถ้ามันไม่ได้เป็นตัวเราเราก็จะได้อย่าไปยึดอย่าไปติดมันอย่าไปถือว่าเป็นของเราเท่านั้นเองสังเกตดูของอะไรที่ไม่ได้เป็นของเราเรามักจะไม่ทุกข์กับเขา ร่างกายของคนอื่นนี่เราไม่ทุกข์กับเขาโดยเฉพาะร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักเลย hatten, นะะี after, ่ไล่ข่าวเขาว่าตายไปวันนี้เราก็รู้สึกเฉยเฉยเพราะเราไม่ได้ไปคิดว่าเขาเป็นอะไรกับเราแต่ถ้าเราไปคิดว่าเขาเป็นอะไรกับเราขึ้นมานี่จะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าคิดถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาเป็นอะไรขึ้นมาเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที เป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาพอเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่ได้มองเขาว่าเขาไม่ได้เป็นตัวตนเราไปมองว่าเขาว่าเขาเป็นของเราอย่าไปมองว่าเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายของเราเองนี่ก็ไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟที่วันหนึ่งมัน ก็จะต้องคืนกับคืนดินน้ำลมไฟไปเป็นเหมือนของที่เรายืมมาเรายืมของเขามาบางทีเราขาดเรามีรถเราเสียเรามีธุระจำเป็นต้องรีบใช้ต้องรีบไปไหนมาไหนก็เลยลืม ย, ยืมรถของเพื่อนของพี่ของน้องหรือของใครแต่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นรถของเราพอเราทาธุระเสร็จเราก็เอาไปคืนเขา เวลาเราคืนเขาเราก็ไม่รู้สึกเสียใจไม่ทุกข์แต่อย่างใดเพราะเรารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของที่เราจะต้องเรายืมเข้ามาแล้วเราก็ต้องคืนเข้าไปในที่สุดนี่นี่คือเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องนี่คือเรื่องการเจริญปัญญาที่ยากหรือง่ายเนี่ยมันอยู่ที่ตรงการเข้าใจอนัตตานี้ อันนี้จังนี้มันก็ยังพอจะเห็นได้ง่ายอันนี้จังคือการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนชา้าหรือเปลี่ยนเร็วบางอย่างเปลี่ยนชา้าก็อาจจะคิดว่าเขาไม่เปลี่ยนแต่ลองทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วกลับมาดูใหม่ก็จะเห็นว่าเขาเปลี่ยนเช่นของต่างๆเนี่ยเช่นโทรศรัพท์มือถือนี่มันไม่ได้เปลี่ยนทันทีทันใดวันนี้ ปั๊บเป็นผู้เป็นอะไรอย่า ง, างหนึ่งไปแต่ถ้าเราเก็บไว้สักสิบปีแล้วกลับมาดูมันใหม่เราบอกโอ้มันเก่าลิดเกินมันใช้อะไรไม่ได้แนละ้วนั่นแหละคือความเปลี่ยนไปของสิ่งต่างๆร่างกายของเราถ้าเรามองทุกวันเราก็จะไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนมองกระจกทีไรมันก็เป็นเหมือนกับมองคนเก่าอยู่นี่ แต่ถ้าเราภาพที่เราถ่ายไว้เมื่อห้าปีสิบปีมาเปรียบเทียบดูเราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนคนละคนเลยร่างกายวันนี้กับร่างกายเมื่อห้าปีก่อนสิปีก่อนนี้เป็นเหมือนคนละคนยิ่งเมื่อตอนที่เกิดหน้าใหม่ๆหมกับร่างกายที่เป็นอยู่วันนี้นี่จะว่าเป็นร่างกายอเดียวกันก็ไม่ได้ตะว่าไม่ใช่เป็นร่างกายเดียวกันก็ไม่ได้ มันก็เป็นร่างกายอันเดียวกันแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาจากทารกมากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้ามองไปนานาคตสักวันหนึ่งก็ต้องไปนอนในโรงแล้วเขาก็อาจจะถ่ายรูปเราขณะที่อยู่ในโรงเวลาเขาไปลดน้ำศพเราอันนี้ก็เป็นร่างกายของเราที่จะต้องเปลี่ยนไปแต่ถ้าเราไม่กล้าคิดถึงความจริงเหล่านี้เราก็จะมืดบอดเราก็จะหลงคิดว่าเราร่างกายของเรานี้ จะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่พอมันเกิดอะไรขึ้นมามันก็จะทําทให้ใจเราทุกข์ใจเราวุ่นวายขึ้นมาทันทีเพราะเราไปยึดติดกับมันยึดติดกับความคิดว่ามันจะต้องอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาด้วยปัญญาจนเข้าใจตอนรู้ว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นของที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีการเกิดแล้วมันก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆจนจนเกิดความเข้าใจปับ๊บทีนี้มันไม่กลัวความความตายแนละ้วมันไม่กลัวความเสือ่อมเพราะมันรู้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกับปรากฏการณ์ของแสงแดดนี่แสงแดดก็ปรากฏขึ้นมาในยามเช้าแล้วพอในยามเย็นแสงแดดนะั้นมันก็หมดไป เราก็ไม่ได้ไปตื่นเต้นตกใจกับเวลาที่แสงแดดหมดไปเพราะเรารู้ว่ามันเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปห้ามมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้รู้ที่ยังหลงอยู่นี้ที่ยังไม่เห็นอนิจจังทุกขังอ น, าตานัตตนี้จำเป็นที่จะต้องมาศึกษาสอนตนเองให้เข้าใจถึงความเป็นอนิจจังของสิ่งต่าง ความเป็นอนัตตาคือการเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ได้เป็นสิ่งที่คนนั่นคนนี้คิดสร้างขึ้นมาทำขึ้นมาให้เป็นให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แม้แต่สิ่งที่เราสร้างกันขึ้นมามันก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเพราะร่างกายผู้สร้างก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎของการวจังทุกขังอนัตตาเราสร้างบ้านขึ้นมาสร้างอะไรขึ้นมา เดี๋ยวมันก็เสื่อมไปตามการตามเวลาของมันเราสร้างครอบครัวเราสร้างเรามีสามีมีภรรยาแล้วเราก็มาสร้างครอบครัวกันสร้างลูกสร้างหลานสร้างเลนอะไรกันแล้วของพวกนี้ในที่สุดมันก็ย่อยฉลายหมดไปตามการตามเวลาของมันผู้สร้างก็ไปก่อนพ่อแม่ก็ไปก่อนตามด้วยลูกตามด้วยหลาน ลูกหลานก็มาสร้างครอบครัวใหม่ขยายกันไปต่อกันไปอยู่อย่างนี้แต่แม่ว่าจะสร้างกันมากน้อยเท่าไหร่มันก็ต้องมีการเสื่อมมีการสิ้นสุดลงทั้งหมดดังนั้นจึงมีการพูดว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดที่เกิดขึ้นทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องสิ้นสุดลงไม่ช้าก็เร็ว อย่างปรากฏการธรรมชาติในขณะนี้ก็คือการมาร่วมฟังเทศฟังธรรมกันอันนี้ก็เป็นปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มาตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครเป็นผู้กากับบังคับนอกจากจิตใจของแต่ละคนเป็นผู้สั่งให้มาที่นี่กันมาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเดี๋ยวปรากฏการธรรมธรรมชาตินี้ก็จะหายไปเดี๋ยวพอหมดเวลา ทุกคนก็แยกกันกลับบ้านกันอันนี้ก็เหมือนกับการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราเขามารวมตัวกันก็เลยปรากฏการธรรมชาติเป็นร่างกายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็แยกทางกันไป <c oughs> เวลามารวมตัวกันเราก็เรียกว่าเกิดเวลาแยกทางกันเราก็เรียกว่าตายเท่งนั้นเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตาย <c oughs> เป็นการปรากฏการของทางธรรมชาติเป็นการรวมตัวของธาตุสี่รินน้ำลมไฟอั น, นนี้คือเรื่องปัญญาที่ผู้ที่ต้องการที่จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่จะสามารถรักษาใจให้อยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาจาเป็นจะต้องเข้าใจหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเมื่อมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครไปขัดขวางไปห้ามไปเปลี่ยนได้ธรรมชาติเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาฝนจะตกก็ไม่มีใครห้ามไม่ให้ฝนตกได้พายุจะมาก็ไม่มีใครห้ามให้พายุมาได้น้ำจะท่วมก็ไม่มีใครห้ามให้น้าท่วมได้ คนจะแก่จะเจ็บจะตายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ให้มองอย่างนี้เพื่อเราจะได้ไม่มีความทุกข์ความทุกข์มันเกิดจากความหลงคิดว่าเราไปควบคุมธรรมชาติได้ควบคุมให้ธรรมชาตินี้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เช่นควบคุมให้ร่างกายเราไม่แก่ด้วยการไปทำสัญญกรรมต่างๆ แล้อด้วยการไปหายามากินหายามากินหาครีมมาทาอะไรต่างๆคิดว่าเป็นการที่จะยับยั้งความแก่ของร่างกายได้แต่ก็เป็นการกระทำเพียงชั่วเดียวเดียวนั่นเอเป็นชั่วคราวเป็นอนิจจังเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันทำได้แล้วเดียวไม่นานมันก็แก่อยู่ดีไม่มีใครอยู่เป็นสาวรุ่นหนุ่มล้านปีได้ ในที่สุดพอเข้าวัยห้าสิบหกสิบก็เริ่มแสดงความแก่ให้เห็นอย่างชัดเจนจนในที่สุดพอเข้าเจ็ดสิบแปดสิบก็เลิกฝืนธรรมชาติแล้วยอมรับธรรมชาติว่าสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวแต่ถ้ายังสู้ได้ก็ยังอยากจะสู้อยู่แต่รู้ว่ามัสู้ไม่ได้ก็เลยต้องยอมรับกันอันนี้คือถ้าเรายอมรับตั้งแต่ที่ยังไม่แก่แล้วเราจะสบาย ไม่ต้องไปเสียเวลาไปดิ้นรนให้เหนื่อยปเปลา่าๆให้ไปทุกข์ไ ป, ปเปลา่าๆพอสิวฟฝ้าปรากฏขึ้นมาบุญไม น, น้าหน่อยก็ทุกข์กันนะกินไม่ได้นอนไม่หลับกันแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้มันบางทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้บางทีก็ทำให้มันหายได้บางทีก็ทาให้มันหายไม่ได้ก็ทาไปตามกาลังของเรา ก็แล้วกันอันไหนเรายังทาได้อยู่ก็ทำไปแต่ต้องรู้ว่าในที่สุดมันก็จะต้องแพ้มันในที่สุดแพ้ธรรมชาติแพ้ปรากฏการณ์ของธรรมชาติธรรมชาติเขามีขั้นตอนของเขาเขาไปตามขั้นตอนของเขาเกอดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอันนี้คือหลักของอนิจจังขอให้เราเข้าใจความหมายอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มีการเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปร่างกายของเราเกิดแล้วตอนนี้ก็ตั้งอยู่ยังอยู่ยังหายใจได้ยังเป็นนู่นเป็นนี่ยังทํานู่นทํานี่ได้แล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะดับไปมันก็จะหายไปเหลือแต่รูปภาพที่เขาถ่ายเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเหลือล อ, อยู่ในความทรงจําของคนบางคนเท่านั้นเองแต่ตัวจริงของมัน ตัวร่างกายของมันนี่มันหายไปหมดแล้วบางคนถึงกับยึดติดกับตัวตนมากถึงกับสั่งไว้ว่าห้ามเผาก็มีต้องเก็บไว้ให้เป็นอมตะเก็บไว้ยังไงมันก็ต้องเสิรอยู่ดีมาไปดูมัมมี่ที่เขาเก็บไว้ในปีระมิดเนี่ยนี่ก็พวกที่คิดว่าจะเก็บตัวให้เป็นอมตะให้อยู่ไปตลอดอยู่ไปตลอดแต่มีใครก็สนใจหรือเปล่าไม่มีก็ไม่สนใจ ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนมาจากไหนก็ไม่มีใครสนใจหรอกยิ่งไม่อยากจะเข้าใกล้เสียด้วยซ้ำไปเห็นซากศพแล้วมีใครอยากจะเข้าใกล้บ้างหรือเล่าไม่มีหรอกงั้นอย่าไปฝืนธรรมชาติปล่อยให้ธรรมชาติเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาดีกว่าจะได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจใจกันที่เราปฏิบัติกันนี้ก็เพื่อดับความทุกข์นี้เอง ความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไม่เข้าใจหลักของธรรมชาติไม่เข้าใจหลักของอนิจจังและหลักอนัตตาอันนี้ทั้นงสองอังนนี้ไม่มีถ้าเข้าใจหลักนี้แล้วใจจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นไม่ว่าของอะไรที่เราเคลมว่าเป็นของเรานี่มันเป็นเพียงแต่การเคลมเฉยๆนี่แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นของเรา มันเป็นของธรรมชาติที่ธรรมชาติจะเป็นผู้สั่งให้มันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเสื่อมให้มันดับไปช้าหรือเร็วเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราจะได้ไม่ฝืนธรรมชาติกันยอมรับธรรมชาติธรรมชาติเป็นอย่างไรก็รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงเราไม่มีความอยากให้เป็นดังที่เราอยากมันก็จะไม่ทาให้เราทุกข์ นี่คือเรื่องของปัญญาที่อาจจะเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับบางท่านนอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับบางท่านแต่ยากหรือถ้าถ้ายากก็สามารถใช้เวลาหน่อยพยายามศึกษาพยายามวิเคราะห์คิดอยู่เรื่อยๆเปรียบเทียบอยู่เรื่อยๆ mm. เดี๋ยวเดียววันหนึ่งมันก็จะเข้าใจขึ้นมาเองมันก็จะร้องอออขึ้นมาเอง mm. นี่นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ปฏิบัตินี้บางท่าน บรรลุเร็วบรรลุช้าต่างกันอยู่ที่ความฉลาดการที่สามารถมองเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาได้อย่างชัดเจนหรือไม่มองเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากที่เราจะไปฝืนธรรมชาติหรือไม่ถ้าเราอยากไปฝืนธรรมชาติเราอยากเราจะทุกข์มากอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นดังที่เราอยากมันก็จะทาให้เราทุกข์ทให้เราวุ่นวายใจ แต่ถ้าเราเฉยๆมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปเรารู้เรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้ทุกไปทำไมก็อยู่เฉยๆไปๆไปล่อยให้มันเป็นไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอนี่คือเรื่องของปัญญาที่ทำให้การบรรลุธรรมนีช่ช้าเร็วส่วนเรื่องของการปฏิบัติยากง่ายก็อยู่ที่ปิเลต์นี่ยหะปิเลตมากมันก็จะปฏิบัติยาก พราะคนที่มีกิเลสมากจะไม่อยากจะปฏิบัติกันนั่นเองคนที่มีความอยากเที่ยวมันก็จะไม่อยากเข้าวัดกันในหยุดสี่วันนี้ก็จะไปเที่ยวกันที่ไหนดีจองตั๋วกันไว้แล้วจะไปนู่นมานี่ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศกันถ้าจะให้มาปฏิบัติก็จะไม่อยากจะมาถ้าจะมาก็ถ้าอยากจะมามันก็รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าไม่เคยปฏิบัตินั่นเอง ใครคิดแต่อยากจะเที่ยวเวลามานั่งปฏิบัติก็ยังอดคิดถึงที่เที่ยวไม่ได้<ม>เอาคิดแล้วเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความ เ, าเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาจน<ม>บางทีก็ปฏิบัติไม่ได้มาอยู่วัดมาปฏิบัติคิดว่าจะทําจิตให้สงบได้ที่ไหนได้จิตมีแต่ความฟุ้งซ่านคิดถึงแต่รูปเสียงกลิ่นรถคิดถึงแต่เรื่องเสบรูปเสียงกลิ่นรถอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็บป็นเพราะว่าไม่ได้ขัดเกากิเลสมาเลยเฉะนั้นผู้ที่ยังปฏิบัติสมาธิไม่ได้ยังเจริญสติไม่ได้นี้ก็ต้องพยายามถือศีลแค่ศีลศีลก่อนให้ได้ศีลแปดพยายามถือศีลแปดให้ได้พยายามหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆถ้าถือศีลแปดก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับแฟน ก็ทําจากจากน้อยไปหามากไม่ได้ให้ถือศีลปะตลอดเวลาถ้ายังไม่เคยถือเลยก็อาจจะลองถืออาทิตย์ละครั้งเ mm. ช่นวันพระนี่ทางชาวพุทธเราจะนิยมจะถือศีลแปะกัน mm. จะละเว้นจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเพราะถ้าเราถือศีลแปะได้มันจะทําให้การฝึกสมาธิการนั่งการเจริญสตินี้มันเป็นไปได้ง่ายขึ้น เพราะว่ามันไม่มีตัณหาความอยากเพราะเวลาถือศีลแปลดรู้ว่าอยากไปก็ไปทำไม่ได้ก็เลยระ ง, งับความอยากได้ชั่วคราวก็จะทําให้การเจริญสติการนั่งสมาธินี้เป็นไปได้ง่ายขึ้นแต่ก็ต้องทําบ่อยๆทําเรื่อยๆมันถึงจะค่อยๆเอาชนะกำลังของตัณหาความอยาก ที่จะมาสร้างอุปสรรคขวางกั้นของการปฏิบัติได้ดังนั้นการการรักษาศีลนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติยากนี้ทําให้การปฏิบัติง่ายขึ้นได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้ที่จะปฏิบัติได้ง่ายนี้จําเป็นที่จะต้องมีเครื่องเสริม อ, อยู่4 4อย่างด้วยกัน จะทำให้การเจริญสติการนั่งสมาธินี้ง่ายขึ้นคือการหนึ่งคือการสำรวมตาหูจมูกิืนกายสำรวมอินทรี<ม>หรือการเจริญเนคข ม, มะนี่เองคือการออกจากการเสบ ร, รูปเสียงกลิ<ม>่นรสผลพภะด้วยการด้วยการถือข้อห้ามห้ามเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสในลักษณะต่างๆไม่ร่วมหลับนอนกับแฟน กับไข่แล้วก็ไม่รับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานเพียงแต่เรียงดูร่างกายเอาแค่เที่ยงวันก็พอเวลาอื่นก็จะไม่ไม่รับประทานอาหารเพราะการรับประทานอาหารนี่ก็เป็นการเสกรูปรสกลิ่นสีของอาหารตะให้กินแบบกินยารับประทานอาหารแบบรับประทานยาเอาเข้าปากแล้วก็เกินมันเข้าไปให้มันจบจบไป เวลาเรากินยาเราไม่ค่อยไปหวังที่ยาเสบรูปรูปสีสันรูปรสของของยายานี่เราอยากยาให้มันเข้าไปในร่างกายแล้วก็จบอาหารนี่ก็เป็นยาอย่างหนึ่งให้รับประทานอาหารเหมือนรับประทานยาอยาไปรับประทานอาหารเหมือนเหมือนกับเป็นการเสบความสุขที่ต้องไปรับประทานอาหารที่มีดาวหลายดาวแล้วก็มีการจัดอาหาร ในรูปลักษณะน่ากินน่ารับประทานมีแยกเป็นจานๆไปอาหารชนิดนี้อยู่จานหนึ่งอาหารชนิดนั้นอีกจานหนึ่งกินเงี้ยทีละจานทีละอยา่างออันนี้เรียกว่าเสพกามเสพรูปเสียงกินรสในทางอาหารถ้าเป็นนักปฏิบัตินี้ก็จะเอาสายชามันเดียวกันเลยอาหารข้าวาหารทั้งหลายที่จะเข้าไปรวมกันในท้องเดี๋ยวมันก็เข้าไปรวมกันในท้องไม่ใช่หรออาหารทั้งหลาย เวลามันเป็นรวมในท้องเคยถ่ายรูปมันดูกันไหมเคยถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูไหมว่าอาวันนี้ไปกินอาหารที่ร้านนี้แ ต, ตอนนี้มันอยู่ในท้องเราแล้วลักษณะมันเป็นอย่างนี้เอเออันเนี้ยการไปถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูนี่ก็เป็นการเสพการเป็นการอวดเป็นการโชวว่าวันนี้ฉันได้เสพอาหารชนิดนั้นชนิดนี้แสนน่าเลศแสนอร่อยอันนี้มันเป็นยาเสพติด มันจะทำให้เวลาที่จะไปเจริญสติสมาธินี้ทำไม่ได้เอาเวลาไปนั่งไปไปไปอดอาหารไปไม่ถือไปถือศีลแปดพอตอนบ่ายก็เริ่มคิดถึงอาหารท้องก็เริ่มร้องโกรกโกรกใจก็จะรู้สึกหิวโหวยขึ้นมาทันทีฉนั้นผู้ที่ต้องการที่จะทำให้การปฏิบัตินันง่ายต้องอยู่แบบเรียบง่ายกัน อย่าอยู่แบบหรูหราอยู่แบบฟุ้งเฟอ้เอเหอ่อเหิมอย่าอยู่แบบใช้ของแพงๆใช้ของสวยๆงามๆเอาของที่มันใช้งานได้แต่ไม่จาเป็นที่จะต้องหรูหราไม่ต้องสวยงามอาหารก็ถ้าจะให้มันเด็ดจริงๆก็รวมวมัไว้ในจานเลยของที่เราจะกินมีอะไรใส่เข้าไปของขาวของหวานแล้วถ้าเก่งจริงก็คุก ม, มันเหมือนเราคุกให้ข้าวหมาเลยคุกให้หมากิน ทำไมหมามันกินได้เนี่ยหมามันกินอย่างอาร่ลยอร่อยเรากัหมาก็ไม่ต่างกันร่างกายของเรากับร่างกายของหมาก็แบบเดียวกันมีอาการ32เหมือนกันนี่คือการแ<น>ดดดั ด, ดหรือต้านกิเลสตัณหาการมาตัณหาให้มันเบาบางลงเพื่อที่เวลาเราไปปฏิบัติเราจะได้ไม่มีความอยากรับประทานอาหารมาคอยยั่วยวนกวนใจเรา ทุกครั้งถ้าคิดถึงอาหารที่เราอยากจะกินก็คิดถึงอาหารที่เราครุกอยู่ในจานหรืออาหารที่ไปรวมกันอยู่ในท้อง <c oughs> พอคิดถึงภาพของอาหารแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้เราไม่หิวมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตินั่ <c oughs> เองพะพุทเจ้าบอกถ้าเราต้องการที่จะทำให้การปฏิบัตินี้มันง่ายเราต้องหนึ่งตั้งสํารวมลาหูจมูกเล่นกายคื อ, อยาไปเสพ การในลักษณะต่างๆนะไม่ร่วมหลับนอนไม่รับประทานอาหารแบบหรูหรานะแล้วก็ไม่เสพรูปเสียงกิริยทางการบันเทิงต่างๆไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงนะไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันนี้เป็นการลดความยากของการปฏิบัติให้มันง่ายขึ้นโนะือสํารวมแล้วก็ไม่นอนมากเกินไป ไม่นอนบนเตียงที่สุขที่สบายนอนบนเตียงที่มันนอนแล้วไม่ค่อยสบายคือเป็นพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าหรือเสือ่อนอนกับพื้นก็ได้ถ้านอนแบบนี้มันจะนอนไม่มากนอนพอให้ร่างกายได้พักผ่อนพอร่างกายตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากนอนต่อจะได้มีเวลามาปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติส่วนหนึ่งก็ต้องมีเวลามากๆถึงจะก้าวหน้าได้ ถ้ามีเวลาปฏิบัติน้อยมันก็จะก้าวหน้าได้ยากเช่นกันนี่คือข้อที่หนึ่งที่จะมาช่วยลดยการปฏิบัติที่ยากเย็นนี้ให้มันง่ายขึ้นด้วยการสำรวมอินทรีย์ด้วยการถือศีลแปดหรือด้วยการถือเนคขมมะสร้างเนคขมมะบารมีอันนี้อันเดียวกันศีลแปดสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายหรือการเจริญเนคขมมะนี่ก็ความหมายอันเดียวกัน คือมาคอยต้านความอยากทางรูปเสียงกลิ่นรดต่างๆให้มันอ่อนกําลังลงเพื่อมันจะได้ไม่มาต้านการปฏิบัติของเรานั่นเองที่มันยากก็เพราะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดเหล่านี้นเองที่เรียกว่ากามัฉันทะเป็นหนึ่งในวินิวันตัวที่จะขัดขวางการเจริญสติการนั่งสมาธิข้อที่สองเมื่อได้ถือถินแล้วก็ให้ไปเปริกวิเวก ให้ไปอยู่ที่สงบสงดัดห่างไกลถึงแม้ถือแล้วแต่ถ้าอยู่ใกล้มันก็อาจจะทําให้ใจเราอาใจเราสั่นได้หรืออาจจะแพ้เมันก็ได้ถ้าเราไปอยู่ใกล้คนที่เขากินข้าวเย็นนี่พอตกเย็นเขาเริ่มกินข้าวทำกับข้าวกินชชยเข้ามาในปากเดี๋ยวมันก็เข้ามาในจมูกเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวเดี๋ยวต้องไปขอเขากินเดี๋วไม่ขอเขาดีไม่ดีเขาก็มาชวนเรากินเขาเป็นห่วงเรากินหน้าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ <c oughs> ในที่สุดก็ยอมแพ้ไปไปนั่งกินพอกินอิ่มแล้วพอจะไปนั่งสมาธิก็ขี้เกียจแล้วนี่ยหนังท้องเตึงหนังตาหย่อนนั่งสมาธิก็จะหลับสับประงบยังต้องไปปีกวิเวกไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมาคอยยั่วยวนกวนใจหรือ ม, มาล้มล้างการรักษาสิ่ของเราต้องไปปีกวิเวกที่สงบสงดัดทางกายจากแสงสีเสียงต่างๆ ห่างไกลจากบุคคลต่างๆ ไ, ไม่ไม่คลุ้คลีกับใครคุ้คลีกันเดี๋ยวก็คุยกันเรื่องกินนะั่นแหะไม่ได้คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องกินคุยเรื่องเที่ยวกันแล้วพอคุยแล้วก็เกิดเกิความอยากเกิด ค, ความฟุ้งซ่านขึ้นมาดังนั้นอย่าอี่ยต้องไปปีกพื้นเวกหาที่สงบสงัดอยู่คนเดียวแล้วก็ให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารถึงแม้ถือศีลแปดแล้วถ้ายังง่วงอยู่อย่างนี้ ก็อาจจะต้องลดแทนที่จะรับประทานสองมือ้อก็เอาแค่มือม้อเดียวถ้ามื้อเดียวยังม่วงก็เอาครึ่งเดียวคอยกินสองจานก็เอาจานเดียวอย่างนี้ไปเพื่อลดถ้าเรากินมากมันจะทําให้เราขี้เกียจทําให้เราอยากจะนอนมากกว่าอยากจะปฏิบัติแต่ถ้าเราหิวนิดๆ น, ดนี้หิวนิดหน่อยท้องว่างๆมันจะทําให้เราลู้ไม่รู้เสึกม่วแล้วจะทําให้เรามีกรปี้กระเป๋า สามารถที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้อย่างง่ายได้แล้วข้อสี่ที่จําเป็นจะต้องมีถ้าจะต้องการจะทําให้การปฏิบัตินี้ง่ายก็คือต้องขยันเจริญสติอยู่เรื่อยๆมันเจริญสติตลอดเวลาเอาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยอย่าให้ไม่มีเวลาที่เราไม่มีสติเลยสตินี้มีไว้เพื่อควบคุมความคิดเท่านั้นเองเราไม่ต้องการให้ใจคิดเรื่องราวต่างๆ ถ้าเราไปปฏิบัติแล้วนี้เราปล่อยวางทุกอย่างแล้วเรื่องราวต่างๆเราไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือหยุดความคิดต่างๆเพื่อให้จิตสงบให้จิตเข้าสมาธิให้ได้นั่นเองดังนั้นเราต้องมีอะไรเป็นเครื่องกํากับใจที่จะทําให้เกิดสติขึ้นมาจะใช้คําบริกีรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆก็ได้ลืมตาขึ้นมาปั๊บก็พุทธโธเลยอย่าปล่อให้คิดว่าวันนี้จะไปกินอะไรดีไปเที่ยวที่ไหนดี หรือไปคิดถึงเมื่อวานนี้คิหรืออะไรต่างๆอย่าไปคิดเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ให้มันคิดแต่พุโทโธพุโทโธไปมีหน้าที่อะไรต้องทําก็ทําควบคู่กันไปกับพุโทโธอาบน้ํานั่งน่าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วก็มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิก็พุโทโธไปถ้ามีสติมีพุโทโธกํากับใจนี้การการปฏิบัติจะง่ายขึ้นมาทันทีเลย ที่ยากที่สุดก็เพราะตัวนี้แหละตัวที่ไม่มีสตินะสติเผลอใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งสมาธินั่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้สึกอึดอัดปวดหน้า อ, อกแน่นหน้าท้องขึ้นมาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาบางทีก็คันตรงนั้นคันตรงนี้อยากจะกินน้ำลายมันสารพัดสารเพย์พ้มันเกิดจากการที่เราไม่ฝึกสติกันนั่นเองงั้นถ้าเราฝึกสติแล้วมันจะไม่ไปสนใจกับอะไรอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมา มันเป็นธรรมดามันก็มีบ้างร่างกายมันก็ลองขันบ้างมันอะไรบ้างแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันมันก็จะไม่มารบ ก, กวนใจเราถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวใจก็สงบใจก็เข้าสู่สมาธิได้นี่คือวิธีการเปลี่ยนการปฏิบัติยากให้เป็นการปฏิบัติง่ายแล้วการบรรลุชาหรือบรรลุแล้วก็คืออยู่ที่การขยันคิดทางปัญญาอยู่เรื่อยๆ เวลาจะคิดอะไรก็คิดว่าไม่เที่ยงนะเป็นอนัตตานะไม่มีตัวตนไม่มีเป็นของใครเป็นของธรรมชาติไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งไปเก็บมันไว้ให้เป็นของเราได้ให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นก็คือวิธีการเปลี่ยนจากการปฏิบัติยากบรรลุช้าให้เป็นการปฏิบัติง่ายบรรลุเร็วด้วยการเสริมธรรมะที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติของเรา หรือให้เราถือศีลแปดกันเรียกว่าเจริญเนคข ม, มะบารมีหรือหรือสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ปีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่ต้องทำงานอะไรนะทำงานอย่างเดียวก็คืองานภาวนาทำใจให้สงบให้ได้แล้วก็เจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องรับประทานอาหารพอสมควร รู้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารแล้วก็ปัญญาก็หมั่นพิจารณาตายรักอยู่เรื่อยๆหมั่นพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนหมั่นพิจารณาความเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วการปฏิบัติง่ายและบรรลุแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับเราอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันกาไรบุญ การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรเยะทาวาลิวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวามวะอิโตทินังเปตานาังอุปการปฏิอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันะระโสยะธาเมณิโชติระโสยะธาสัพ so พิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภวตวันตบายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสะนิจังวุฒาปะจายโน จตารุธรรมวัฒติอายุวันสุขังฮาลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคบถามใครมีคำถามอะไรหรืออยากจะพูดอะไรขอเชิญถามหรือพูดได้ในช่วงนี้เลยแต่หลังจากที่เลิกแล้วขออนุญาตไม่มีการถามการคุยกันอีก พอจะไม่สะดวกพอต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นต้องทำต่องนั้นถ้าใครอยากจะถามอะไรหรือพูดอะไรเชิญเข้ามาถามได้พูดได้ที่นี่เลยหรือจะเขียนข้อความส่งเข้ามาก็ได้ใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษถ้าอยู่ทางบ้านก็ส่งมาทาง Facebook YouTube ก็ได้หรืออยู่ที่นี่ก็สามารถใช้ youtube หรือ Facebook ส่งคําถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ทีมงานช่วยดูแลจัด คำถามให้ถามคำถามให้วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่นนาการนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ผู้รับชมทางเฟ e บุ๊ k มี487ท่านเจ้าค่ะ YouTube จากอของพระอาจารย์สุชาติ261ท่านเจ้าค่ะดอทเตอร์วี114ท่านวิทิโออนไลน์10ท่านครับ House 18ท่าน ผู้รับฟังหน้ากุติแปดสิบหกท่านจะขาดรวมเป็นเก้า้อยเจ็ดสิบหกท่านเจ้าค่ะาสาธุตอนนี้ก็ใครมีคำถามอะไรก็ถามได้เลย<ะ>มีไหมถามมีคำถามจาก f a c e b o ๊ k จากคุณจรัญญาเจ้าค่ะขออนุ ญ, ญาตฝากคำถามนะคะ การอยู่กับปัจจุบันแก้ความอยากได้ใช่ไหมคะเมื่ออยู่กับปัจจุบันแล้วความอยากไม่มีใช่ไหมคะต้องไม่มีความคิดถึงจะหยุดความอยากได้ถ้าอยู่ปัจจุบันยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มันก็เกิดความอยากตามขึ้นมาได้เห็นคำว่าอยู่ปัจจุบันก็คืออยู่กับความว่างอยู่ปราศจากความคิดถึงจะเรียกว่าอยู่ปัจจุบันจริงถ้าอยู่กับปัจจุบันกับขนมมันก็อยากกินขึน้นมา <Genau> <c oughs> อยู่มันไม่ได้คำว่าอยู่ปัจจุบันอย่างเดียวมันอยู่ปัจจักรมันต้องอยู่ปัสจักรความคิดปรงแต่ให้รู้เฉยๆถ้าไม่มีความคิดแล้วความอยากมันเกิดตามไม่ได้เพราะความอยากอาศัยความคิดเป็นผู้นําทางถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะไม่เกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอคิดถึงแล้วก็เกิดความอยากตามมาดังนั้นต้นเหตุของความอยากก็คือความคิด ถ้าเราหยุดความคิดได้ควบคุมความคิดได้มันก็จะทำให้ความอยากนี้หยุดได้คำถามต่อไปจากคุณิติชยาสอบถามเจ้าค่ะมดอาหารมาได้41ชั่วโมงดื่มแต่น้าเปล่าอย่างเดียวมาตลอดเจ้าค่ะเลยเริ่มทานก่อนเที่ยงวันนี้คือทานผลไม้เจ้าค่ะเมื่อลำไส้เริ s s ่มทำงานก็วิ่งเข้าห้องน้ำค่ะยังไม่นั่งสมาธิ เลยสอบถามอุเบกขาเจ้าค่ะจะคุมร่างกายได้ตลอดไหมคะหรือใช้ได้ตลอดตอนนั่งสมาธิเจ้าค่ะไม่เข้าใจคำถามลองลองลองอ่านใหม่ดิสอบถามเจ้าค่ะงดอาหารได้41ชั่วโมงดื่มแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวมาตลอดเลยเริ่มทานก่อนเที่ยงวันนี้คือทานผลไม้ค่ะเมื่อลาไส้เริ่มทำงาน ก็วิ่งเข้าห้องน้ําค่ะยังไม่นั่งสมาธิเลยสอบถามอุเบกขาเจ้าค่ะจะคุมร่างกายได้ตลอดไหมคะหรือใช้ได้ตอนนั่งสมาธิเจ้าคะ อ, อ, อุเบกขานี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั่งสมาธิแล้วมันไม่ได้เกิดก่อนสมาธิมันต้องมีสมาธิมันถึงจะเป็นอุเบกขาจริงก่อนที่จะนั่งสมาธิต้องใช้สติ เป็นตัวควบคุมจิตใจให้มันเข้าสมาธิให้มันสงบพอสงบแล้วก็จะมีอุเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วร่างกายเป็นอะไรใจก็ไม่วุ่นวายไปกับมันแต่อุเบกขาไปควบคุมร่างกายไม่ได้รูปควบคุมการทํางานของร่างกายไม่ได้ไปรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายไม่ได้งนั้นอุเบกขานี่มีไว้สําหรับรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับ ความเป็นไปต่างๆของร่างกายร่างกายจะปวดท้องจะถ่ายวันละสิบผลมันก็ไม่เดือดร้อนทางจิตใจแต่ไปห้ามร่างกายไม่ให้มันถ่ายไม่ได้มันคนละระบบกันระบบร่างกายกับระบบจิตใจมันคนละระบบกันผูเบขานี่มีไว้รักษาใจให้อยู่ในความสงบส่วนร่างกายนี้มันก็ต้องอาศัยอย่างอื่นอาศัยหมออาศัยพยาบาล เวลามีอะไรที่ไม่ปกติหมอหรือพยาบาลก็อาจจะช่วยเหลือได้คำถามต่อไปจากคุณสุพนัสกรานามัสการพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิล้บริกรรมพุทโธไประยะหนึ่งพุทโธหายบริกรรมล้พุทโธไม่ขึ้นจึงเปลี่ยนเป็นแบบอานาปนาสติแบบนี้ทําถูกหรือไม่ครับแล้วพุทโธหายเกิดจากอะไรครับก็ยังได้อยู่ ขอให้มีพุโทโธแล้วมีการดูลมหายใจก็าเล่ากันอย่าหยุดนะถ้าไม่มีพุโทโธแล้วก็อย่าหยุดนั่งเฉยๆเพราะนั่งเฉยๆนี่มันก็อาจจะทําให้จิตเริ่มคิดตุงแตกอะไรต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้าเราพุโทโธแล้วเราหยุดพุโทโธแล้วเรามาดูลมต่อก็ได้่ใช่ได้คําถามต่อไปกราบขอกีรติพระอาจารย์ โรปรดเมตตาไปยะถาสัพเให้พอเข้าใจได้ครับกราบสาธุครับ อ, อ๋อไปดู g ูเก l e ดีกว่าคำจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาอัานไหนที่เราค้นหาคำตอบได้ก็หากันเอาเองคำถามต่อไปสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะธรรมโอสถ์อะไรเจ้าคะแล้วปฏิบัติขั้นไหนเจ้าคะถึงจะสัมผัสดได้กราบสาธุค่ะธรรมโอสถ์ก็มีสองขันนะ้นขั้นสติกับขั้นปัญญา เป็นการรักษาใจไม่ใช่เป็นการรักษาร่างกายแต่โรคของทางร่างกายก็อาจจะหายถ้าต้นเหตุของโรคของทางร่างกายเกิดจากความปั่นป่วนของจิตใจพอรักษาจิตใจให้ไม่ให้ไม่ให้ปั่นป่วนได้โรคทางร่างกายก็อาจจะหายตามได้แต่ธรรมะอุกนี่มีไว้รักษาใจไม่ให้ปั่นป่วนไม่ให้วุ่นวายให้อยู่ความสงบไม่ให้เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกาย ขั้นสติก็ให้เราควบคุมใจไม่ให้คิดปุงแต่งถึงเรื่องร่างกายเวลามันเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปคุโทคโธพุทโธไปใจสงบแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความปวดของร่างกายขั้นที่สองก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์อนิจจ์ทุกขังอนัตตาเราไปควบคุมบงงังคับไปห้ามมันไม่ได้มันจะป่วยมันจะเจ็บก็เป็นเรื่องของมัน เราต้องหัดอยู่กับมันไปยอมรับกับสภาพความเป็นจริงให้ได้ถ้ารับได้เราก็จะไม่เดือดร้อนใจเราก็จะเฉยได้คำถามจากคุณดับเบิ้ลดับบดับเบิ้ลซีเมื่อเช้าได้อ่านคติธรรมของท่านพระอาจารย์ทางช่อง YouTube ที่ว่าหัดตายก่อนตายแล้วถ้ามันรอดคนความตายมันจะไม่กลัวตาย อันนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรครับรก็ควรพระอาจารย์ช่วยตอบขยายความด้วยครับจะได้ซ้อมไหว้ศาสตรก็คนตายต้องการอะไรหรือเปล่าคนตายต้องการมีแฟนหรือเปล่าคนตายต้องการไปเที่ยวหรือเปล่าก็อยู่แบบคนตายไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องมีแฟนอยู่กับพุทโธอยู่กับการเจริญสติการนั่งสมาธิไปนี่ก็คือการอยู่แบบคนตายไม่แสวงหาความสุขจากทางร่างกายต่อไปเพราะร่างกายตายไปแล้ว ไม่สามารถพาพาเราไปเที่ยวได้ไม่สามารถพาเราไปดูหนังฟังเพลงไม่สามารถพาเราไปล่วงหลับนอนกับแฟนเราได้เราก็อยู่แบบคนตายอยู่ด้วยการอยู่กับสมาธิอยู่กับสติอยู่กับปัญญาไปคำถามต่อไปขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้ยึดติดกับบุคคล เพื่อเราอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะกับขอบพระคุณค่ ะ, ะพิจารณาทุกอย่างไม่เที่ยงทุกคนไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดผ้ากจกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดเตรียมตัวเตรียมใจรับกับสภาพความเป็นจริงพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะไม่ทุกข์ไม่เสียใจขณะที่ยังไม่เกิดก็ไม่วิตกไม่กังวลเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดอย่างแน่นอนเพียงแต่เวลาเมื่อไหร่เท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณมินกระตรันถามพระอาจารย์ค่ะความวุ่นวายใจถึงแม้จะเกิดขึ้นแค่แบบเดียวก็ยังถือเป็นอวิชาใช่ไหมคะครั้งวุ่นวายใจทุกชนิดมันเกิดจากอาวิชาเกิดจากตัณหาความอยาก ท, ทั้งที่หนพิจารณาอยู่เนืองๆว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาและเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเราควบคุมสิ่งใดไม่ได้แต่ทําไมความเศร้าหมองหรือขุนมัวชั่วขณะสั้นๆมันยังเกิดอยู่ขึ้นคะก็พิจารณาไม่ทันมันเกิดก่อนแล้วค่อยพิจารณาตามทีนึงมันต้องก่อนมันจะเกิดต้องรู้ก่อนว่ามันจะเกิดแล้วก็ใช้ปัญญาระงับมันทันที <c oughs> คำธรรมของคุณมินข้อหนึ่งค่ะถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆมันจะหายไปเองในวันหนึ่งหรือเปล่าคะอะไรหายกิเลสตัณหาล่ะถ้ากิเลสความวุ่นวายใจเจะหายถ้ามันถึงขั้นที่ปัญญารู้ทันตลอดเวลามันก็จะไม่เกิดขึ้นมาได้ถ้ายังไม่ทันมันก็เกิดถ้าปัญญาช้ากว่ากิเลสมันก็เกิดความวุ่นวายถ้าปัญญาเร็วกว่ากิเลส กเลยก็เกิดขึ้นไม่ได้ความวุ่นวายใจก็เกิดขึ้นไม่ได้คำถามข้อที่สองจากคุณมินจิตขุนมัวเป็นอนัตตามันจะเกิดขึ้นอยู่ดีแค่เราไม่ไปยึดมันเฉยๆเราเลยสุขใจสงบใจตอนนี้อยู่เป็นหนูเป็นอย่างที่สองอยู่ค่ะความขุ่นมัวยังเกิดขึ้นอยู่แบบหนึ่งแค่ไม่ได้ไปยึดค่ะหนูพิจารณาลงใจรักได้ทุกสถานการณ์อยู่ค่ะ แต่จิตยังไม่นิ่งเป็นอุเบกขายังมีกระเพื่อมเล็กน้อยเจ้าค่ะยังไม่เพราะไม่ใช้สติควบคุมความคิดอยู่ยังปล่อยจิตคิดอยู่พอคิดมันก็กระเพื่อมขึ้นมาได้เห็นต้องใช้พุทธโธพุทธโธหยุดมันคำถามต่อไปขออนุญาตถามเจ้าค่ะคำถามคือจำเป็นไหมที่คนพุทธต้องเรียนรู้พระไตรปิฎกสาทู จำเป็นต้องเรียนจากพระไตรปิฎกไหมไม่จําเป็นหรอกขอให้เรียนจากหนห่งได้นั้นหนึ่งแทนก็ได้จากครูบาอาจารย์พระปฏิบททัติดีปฏิบัติชอบหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ที่เราเชื่อว่าเรา ร, รู้ว่าท่านเป็นพาาระหลานแล้นี้ก็สามารถใช้แทนพระไตรปิฎกได้คําถามจากคุณการ น, นากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ การฟังธรรมการนั่งสมาธิมีอา น, นิสงส์งเท่ากันไหมเจ้าคะก็การฟังธรรมนี่มันได้ทั้งสองอย่างอย่างได้อย่างหนึ่งจะฟังเพื่อสมาธิก็ได้สมาธิก็คือความสงบถ้าฟังถ้าฟังเพื่อปัญญาก็จะเกิดความสมาทิฏฐิความเห็นชอบที่จะนํำมาไปดับอวิชชาได้ดับความทุกข์อย่างถาวรได้ แต่การนั่งสมาธินี้ก็จะได้แต่สมาธิอย่างเดียวที่นั่นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกนึกพุโทโธพุโทโธเราก็จะได้ความสงบได้อุเบกขาแต่ถ้าเราฟังธรรมะเราฟังธรรมะเราถ้าเราฟังแล้ว เ, เราพิจารณาตามเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรตาลักเป็นอะไรเราก็จะได้ปัญญาปัญญาที่เราสามารถที่จะมาตัดต้นเหตุของความทุกข์คือโมหะอวิชชาได้แล้ว ถ้าตัดได้แล้วความทุกข์ที่เกิดจากโมหะวิชาก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปองั้นการฟังธรรมนี้ดีกว่าการนั่งสมาธิอย่างแน่นอนก็เวลาพระุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกให้กับพระบัญจ ว, วคีย์พระบัญจ ว, วคีร์ก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์กันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมก็ได้แต่แค่สมาธิได้แค่รูปปัจจานารูปปัจจานะแต่จะไม่สามารถที่จะไปถึงขั้นโลกุตาลธรรม คือขั้นร่างคนไม่ผ่านได้คำถามต่อไปสอบถามเจ้าค่ะถ้าคนใกล้ๆตัวไม่เข้าใจเราเราควรวางใจอย่างไรกาดขอพระคุณเจ้าค่ะก็คิดว่าเหมือนอยู่กับหมาก็แล้วกันหนะ <c oughs> มามันก็ไม่เข้าใจเราเราจะไปให้มันเข้าใจเราได้ยังไงมันก็หมาก็ย่อมเป็นหมา <c oughs> เราเป็นคนเราก็อยู่แบบคนไปง <c oughs> เขาเป็นหมาก็าปล่อย เ, เป็นหมาเอง ต่างคนต่างอยู่มงันจะเดือดร้อนไง <c oughs> คำถามต่อไปสะค่ะวิธีให้ได้สมาธิรบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับนั่งสมาธิก็ต้องมีสติต้องฝึกสติก่อนมานั่งตั้งแต่ตื่นเลยต้องพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันจนถึงเวลานั่งก็พุโทโธต่อถ้าทำางนี้ได้เดี๋ยวจิตก็สงบได้อย่างง่ายดาย <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณธนเดชกราบพระอาจารย์ครับการบวชพระต้องเตรียมตัวอย่างไรครับก็เตรียมใจนะถ้าใจพร้อมที่จะบวชแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายถ้าใจยังไม่พร้อมก็เตรียมอะไรอย่างอืงอ่นก็บางทีก็ไม่ได้บวชอยู่ดีองั้นให้เตรียมใจคือทาใจให้สงบให้ใจไฝ่ใฝธรรมแล้วมันก็จะบวชเองโดยอัตโนมัติให้บวชที่ใจให้ได้ก่อน ถ้าบวชที่ใจได้แล้วบวชที่กายมันง่ายถ้าบวชที่ใจไม่ได้ไนบวชที่กายเดียวมันก็แหกภ้าหลุดออกไปคำถามต่อไปจากคุณวรพรน้อมกับเรียนถามพระอาจารย์ทำสมาธิจิตรวมนิ่งแต่จิตรวมอยู่ไม่นานทำอย่างไรจะทำให้จิตรวมนิ่งอยู่ได้นานๆเจ้าคะ่ะก็นั่งต่อเลยเวลาไม่นิ่งก็พูดโธพูดโทต่อแนสติ อยู่เรื่อยๆระหว่างวันและว่าจะทำอะไรก็ให้มีพุโทโธคอยกากับใจอยู่เรื่อยๆแลวเวลานั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งได้นานขึ้นไปตามลำดับหมดแล้วจ้ะหมดแล้วเนอะหมอแอนเจอเอาสไไอมัไยไปหน่อยเอาสมัยหน่อยครับเปิดแล้วเหรอเจ้าค่ะเปิดแล มวยใกล้ๆหนะน่อยเจนก็ได้กับกับพระอาจารย์เจ้าค่ะสมมุติว่าเราปฏิบัติมาได้เท่าเนี้เจ้าค่ะแต่ว่าใกล้ตายแล้วค่ะหมายความว่าป่วยป่วยระยะสุดท้ายแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วร่างกายเราก็เวทนามากแล้วก็จิตเราก็รักษาจิตได้ระดับหนึ่งเ จ, จ้าค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะพิจรารณาตัดร่างกายทิ้งตอนตอนนั้นเลยเจ้าค่ะ ถ้าตอนนี้ยังทําไม่ได้ถึงตอนนั้นมันจะยากเหมือนนั่งบุยถ้าไม่ซ้อมตอนนี้ก่อนไปซ้อมบุญเวทีมันก็จะยากกว่างนั้นพยายามหัดพิจารณาตอนนี้ให้ปล่อยร่างกายให้ได้ก่อนดีๆเพราะเวลาจิตมันทุกข์มากๆมันจะไม่มีสติจะคิดพิจารณาแต่มันต้องจิตที่มีความสงบนิ่มีอุเบกขาแล้วถึงจะพิจารณาเห็นเห็ความจริงได้ง่ายกว่า ถ้าจิตเริ่มทุกข์เริ่มวุ่นวายใจเริ่มถูกกิเลสปวดนั่งนึงจะคิดทางปัญญาได้ยากกว่ า, าแต่ก็ไม่ไม่สุดวิสัยบางทีบางคนก็ต้องจนตอกถึงยอมคิดก็ได้ไม่มีทางออกแล้วก็เลยต้องคิดว่าร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวกูของกู อ, อย่างนี้นก็มีงั้นก็แต่ถ้าซ้อมไว้ก่อนมันก็จะง่ายพอถึงเวลาก็จะได้พิจารณาได้ก็เหมือนเราตกกระไดพอยโจรไงเจ้าค่ะเพราะว่าตอนที่เราแข็งแรงเนี่ยเราเราคิดยังไงเราก็ คิดแบบสบายเจ้าค่ะยังมไม่บีบคันก็พยายามเวลานั่งนั่งนั่งแล้วมันเจ็บอย่าเพิ่งลุกเลย เ, <อ>เราพิจารณาร่างกายว่ามั น, เ, <อ>มนเวลาจะตายมันเป็นอย่างเนี้เอเร า, าปล่อยวางมันได้หรือเปล่าเจ้าค่ะ<ม>แล้วเวลาเราสมมติว่าเราพิจารณาจนชำนาญแล้วเนี่ยเวลาเราใกล้จะตายเราเวทานาของสังขารเนี่ยมันรุนแรงมากเจ้าค่ะแล้วอจะเรียนถามท่านว่าอร่างกายสือว่จิตเราสงบแต่ร่างกายเราจะ จะดินไหมเจ้าคะหมเพราะว่าร่างกายมันไม่ดิ้นอ่ะมันอยู่ที่ใจที่ดิ้นใจจ่ดิ้นร่างกายมันไม่มีใจมันเป็นท่อนไม้ท่อนเฟินไปเป็นสร้างสมยังมันไม่ดิ้นเลยเอาเข็มไปทิ่มมันมันก็ไม่ดิ้นอ๋อเจ้าค่ะทีมันดิ้นก็คือใจมันทุรนทุรายมันทรมานแต่ถ้าใจเราสงบเนี่ยร่างกายเราก็จะคุมได้ใช่ไหมเจ้าคะไม่ได้ไม่ได้แบบใจสงบก็ถือว่าทิ้งมันแล้วปล่อยมันแล้วพอใจสงบก็ไม่วุ่นวายกับความเป็นความตายของร่างกาย อ๋อก็คือไม่ได้โอดโอยว่าเจ็บตรงไหนเลยมอะไรมันเป็นอุเบกขาแล้วพอใจเป็นอุเบกขามันก็อยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้อ๋อคือสงบได้โดยที่ร่างกายแล้วก็ไม่อไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนร่างกายร่างกายมันเป็นหางอะถ้าหัวไม่กระเด็นหางมันไม่สาย่เจ้าค่ะตัวที่ทําให้ร่างกายเคลื่อนดิ้นทรมายกคือใจ้ไม่มีสติพอเจอความเจ็บความปวดแล้วก็ดิ้นให่ดิ้นหนีอ๋อเจ้าค่ะ แต่ถ้าใจสงบมันก็ไม่ดิ้น ม, มันก็เฉยๆร่างกายก็จะนิ่งเฉยๆไปเจค่ะแล้วถ้าเราปฏิบัติไปไปเรื่อยๆแต่ยังไม่เข้าสู่พระโสดาบานันแล้วเวลาใกล้ตายเนี่ยเราจะชูตัวเราเนี่ยปุ๊บจบเลยได้ไหมเจ้าค่ะก็เห็นถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นธาตุสีที่น้ําลอยไปมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปก็าอาจจะเป็นโสดาบันได้ อ๋อแต่ไม่ถึงเข้านิพพานนะเจ้ยค่ะยังเพราะมันยังมีตัวอื่นอยู่ที่ยังต้องกําจับค<อ>ือการมาราคะและอวิชยัยเจ้าค่ะแต่ถ้าปฏิบัติต่อได้พอปล่อยร่างกายได้ก็ปล่อยการมารมณได้ปล่อยอวิชชาได้ก็ไปถึงนิพพานได้บางคนก็มาดู้ทำสี่ขั้นอย่างต่อเนื่องเลยทุกทีพอได้โซดาบันปั๊ก็พิจารณาขั้นต่อไปก็ได้ขั้นต่อไปพิจารณาขั้นต่อไปก็หยุดได้เลย อแ ต, ต่งยังต้องพิจรารณาสังโยชน์ที่เหลืออยู่ในใจก่อนเจ้าคแล้วห น, หนูคิดเองว่าการพิจ า, ารณาสามสิบสองมานั่งพิจารณาว่าจริ ง, รงๆแล้ว่สิ่งที่เราหลงเราหลงอยู่ห้าตัวเองเจ้าค่ะตาหูจมูกเอ้ยเขไม่ใช่ขาอะไรผมขนเล่ฟันหนังเจ้าค่ะห้าอย่างที่เหลือมันหลงหนังอะดูหนังใช่หลงหนังเจ้าค่ะ แต่ว่ า, าที่ตำรา บ, บอกว่าให้พี่นาทั้งสาสบสองเลยเจ้าค่ะแล้วก็จะรู้เองว่าของเราอ่ะอันไหนแต่มาดูพี่นาแล้วเอ๊จริงๆแล้วอ่ะอันอื่นที่ไม่ใช่ห้าอย่างเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรที่สวยงามให้เราหลงเลยเจ้าค่ะที่มันไม่เห็นนสิ <c oughs> ให้เห็นมันเพื่อจะได้มาคลายความหลงที่เห็นว่าร่างกายสวยงามเราเห็นส่วนที่สวยงามเราลืมไปว่ามันมีส่วนที่ไม่สวยงามซ่อนอยู่ เหมนกนเราหลงคิดว่าคนนี้ดีแต่เราไม่รู้ประวัติเขาประวัติเขาอันนี้เป็นนักโทษไงเป็นฆาตกรอย่างเี้เจ้าค่ะพอ ร, รู้ว่าเป็นฆาตกรนี่ก็ไม่หลงรักเขาในชะ่ไหมเจ้าค่ะอันนี้ก็เแมือนกันพอเห็นแต่ผิวก็โอ้ยสวยผิวสวยผิวเนียนผิวขาว อ, อแต่พอ ร, รู้ว่ามีตับไตแสบคงมีโครงกระดูกอยู่ข้างใต้นก็นน<อ>มไม่เอาเนะจ้าค่ะมันกือคมหมาเจ้าค่ะ สรุป ก, ก็คือพี่นาทั้งหมดใช่ไห้ให้กบถวนว่าคนนี้เป็นเป็นคนดีจริงหรือเปล่าด้วยดีเพียงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เลวร้ายโหดร้ายทารเลเจ้าค่ะเราจะได้ไม่เป็นน้องนักเขาเจ้าค่ะกราบขอามคุณอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะ ม, ม, มีคำถามต่อไหมมีคำถามเจ้าค่ะคำถามจากคุณ A D A กรณีบริษัทขายพัดลมบริจาค900ล้านเข้าโรงพยาบาลใจเราก็อิ่มเอิบไปด้วยเพราะซื้อสินค้าแบรนด์เข้ามาตลอดคิดว่าไรายได้ส่วนหนึ่งที่เราสนับสนุนซื้อสินค้าเขาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ใน900ล้านบาทบ้างอันนี้บุญแบบบูรนาได้ไหมคะอะไรนะอันนี้คำถามสุดท้ายคําถามเขาบอกว่าบริษัทขายพัดลมบริจาคเงินเข้าโรงพยาบาล900ล้าน แล้วก็ใจเขาอะค่ะอิ่มเอิบไปด้วย uh huh. แล้วก็คิดอะไรได้ส่วนหนึ่งอะที่เราสร้างบุนการซื้อสินค้าของเขาอะค่ะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในเก้าร้อยล้านบาท uh huh. อันนี้เป็นบุญแบบอ น, อนุโมทนาบุญได้ไหมคะได้แตู่้เเอาพรากระเป๋าของเราจ่ายไม่ได้จะได้บุญมากกว่าจะได้ทานได้บุญจากการเสสละของเราจะได้มากกว่าการอนุโมทนาบุญจ้าค่ะ ไดมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะจริงๆแล้วหมอรักษาคนไข้ไม่ได้บุญใช่ไหมคะเพราะได้เงินค่ารักษาเป็นค่าตอบแทนก็คือว่าเก็บมากเก็บน้อยถ้าเก็บน้อยก็ยังได้บุญอยู่ถ้าใครเป็นคนยากคนจนบางทีอาจจะยอมขาดทุนคืออาจจะเก็บแต่ค่ายาไม่เก็บค่ารักษาอย่างนี้ก็ได้บุญ แต่ถ้าเก็บเต็มมันก็เป็นเหมือนกับเป็นการซื้อขายกันอันนั้นก็จะไม่ได้ดุญจ้ะค่ะคำถามต่อไปน้อมปรับพระอาจารย์ค่ะอตอนปฏิบัตินั่งสมาธิพอทำไปเรื่อยๆจะรู้สึกสงบขามบริกรรมหายและมีบางครั้งรู้สึกว่าลมหายใจไม่มีเหมือนไม่มีลมออกมารบกวนพระอาจารย์ชี้แนะปรากฏการนี้ด้วยเจ้าค่ะ มันเป็นอนิจจังแหะมันไม่เที่ยงพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่าไปสนใจกับมันเวลาเราทําสมาธินี้ให้สนใจอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเป็นอย่างเดียวอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจเพราะมันจะทําทให้เราเข้าสมาธิไม่ได้มีคุณทางต่อ การเบียนถามพระอาจารย์ค่ะคือตัวลูกเองลูกเป็นคนที่ชอบสวดมนต์อยากสอบถามว่าการสวดมนตรร์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นการได้บุญต่างกันกับการสวดมนต์พระคถ า, าอย่างอื่นไหมคะฟังกับสวดเองเหรอสวดเองค่ะสวดเองกับฟังกสวดเอ ง, เองแล้วก็อยากสอบถามเกี่ยวกับอย่างออพระคถา จักระพัดอย่างเงี้ยค่ะมีต้องให้สวดสามจบเก้าจบยี่บเอ็ดจบร้อยเก้าจบนี้ค่ะคือถ้าสมมติว่าเราสวดจนจบเราจะได้บุญมากกว่าสวดแค่สจบนี้เปล่าคะคือการสวดมนนี้สวดเพื่อให้มีสติให้มีความสงบถ้าสวดบทไหนก็เหมือนกันแต่สวดถ้าสวดมากมันก็จะสงบมากกว่าก็ถือว่าได้บุญมากกว่าก็ได้ถ้าสวดมากขึ้นแต่ก็ต้องดูผล ถ้าสวดมากแต่ใจยังฟุ้งอยู่ก็ไม่ได้ผลอยแต่ถ้าสวดแล้วจิตสงบสวนมากก็สงบนานอย่างนี้ก็ถือว่าได้บุญมากและอย่างแต่ละบทคืออย่างสวดอิติปิโสอย่างเงี้ยค่ะให้ครบเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นอุบายรำคาญให้เราสวดอย น, นอ๋อเป็นกุศโลบายใช่มเป็กุศโลบายว่าอายุเท่าไหร่ก็ให้สวด ใ, ใ, ให้ตามอายุเท่านั้นเองแต่ถ้าจะสวดเกินก็ได้ก็ยิ่งดีอ่ ยิ่งสวดยิ่งมากเท่าไรยิ่งดีแต่ข้อสำคัญต้องสวดแบบมีสติใจไม่ลอยให้อยู่กับบทสวดวนไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะเย็นจะสงบไปกราบขอบพระคุณค่ะมีถามต่อไป ยมใช้การสะสมการภาวนาวันละหชั่วโมงของพระอาจารย์อยู่และยังนั่งสมาธิตามกําลังที่ตนเองรับไหวครั้งละ35นาทีแต่พยายามทําบ่อยๆเท่าที่จะทําได้ในเมื่อยังปลิดตัวไปอยูวัดไม่ได้ถือว่าได้สะสมบา ร, รมีใหมคะก็ได <ünd>. ้ทำทำทุกครั้งที่เราทำมก็ถือว่าเป็นการสะสมบา ร, รมีเหมือนการตัดน้ําใส่ตุ่มบางทีก็อาจจะใช้ขันตัก บางทีก็จะใช้ช้อนตักก็ได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ทำมากทำน้อยคำถามจากคุณชานินฟังธรรมแบบลืมตาสามารถเป็นสมาธิได้ไหมครับกลับพระอาจารย์ที่เครบครับได้แต่มันยากกว่าการฟังแล้วหลับตาเพราะหลับตามันจะได้ไม่มีอะไรดึงใจให้ไปคิดถ้าลืมตาอยู่เดี๋ยวก็เห็นเรื่องนั้นเห็ น, คน น, นคนนั้นคนนี้ก็อาจจะคิด ก็จะสงบยากกว่าการที่เราหลับตาของคุณวัสนาจันทวันโนชัยทะมนุษย์ต่างกับสัตว์ที่ศีลศีลคือสิ่งที่สำคัญที่สดุดผมคิดแบบนี้ถูกไหมครับถูกต้องการจะเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ต้องมีศีลห้าถ้าผิดศีลห้าก็จะเลื่อนจิตให้ลงไปสู่เดรัจฉานสู่เปรตต่อไปตามลำดับการรักษาศีลนี้เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ก็ต้องรักษาสี่ด้านให้ได้คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคอ่าต่อไว้อามอต่อก่อนถามได้นะไทใครอยากจะถามไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวเรื่องก็อยากเข้ามาถามนะขอร้องอถามได้ตอนนี้เฉพาะเจ้าขาที่ของพ่อบอกว่าให้หนูพิจารณาห น, นังแต่ว่าคือพิจารณาตอน ตอนที่ออกจากสมาธิแล้วใช่ไหมคะใช่ตอนสมาธิทําอะไรไม่ได้เอาทําสมาธิจิตนิ่งเราพรักษาความนิ่งให้นันงานเหมือนตอนนอนหลับตอนนอนหลับนี่เราไม่ไปปลุกร่างกายให้ขึ้นมาทํางานเรอยร่างกายตื่นขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยพาร่างกายไปทํางานก็นั่งวิปัสสนิกไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะว่าหนังลอกหนังพิจารณานี่พิจารณาได้ตลอดเวลาตอนนี้เห็นหน้าใครเห็ น, หนอะไรก็คิด ถ, ถึงหนังเขาถึงหนังที่จะต้องเปลี่ยนไปจากหนังตึงเป็นหนังหย่อน นังยานอะไรแบบนี้ใครเป็นนังหิวหนังแห้งไปพิจารณาทั้งวันอย่งได้ทั้งวันเจอ <ะ S 2> ใครก็พิจารณาเนโดยเฉพาะของแฟนเราสำคัญต่อไปจะได้ไม่อยู่กับแฟนจะได้เลิกกับแฟนนะไม่ใช่พิจารณาตัวเราเหรอเจ้าคะของเราด้วยขอ ง, ของเร า, เราด้วยทั้งเราทั้งเขาให้รอบครอบของเราอย่างเดียวก็ไม่ดี เดี๋วจะคิดว่าเราเป็นคนเดียวคนอื่นไม่เป็นอ oh. คิดคิดถึงคนอื่นแต่ไม่คิดถึงตัวเราก็อาจจะคิดว่าคนอื่นเป็น mm. แล้วเราเราไม่เป็นเหมือนเขา ต, ต้องคิดทั้งเราทั้งเขาสลับ mm. กันไปไม่พร้อมๆกันไปค่ะแสดงว่าระหว่างวันเนี่ยมีอะไรมากระทบแล้วก็พิจารณาสิ่งที่กระทบณนะปัจจุบันถ้าไม่มีอะไรมากระทบก็คือเราก็พิจารณาหนังของเราเป็นหลักเลยเจ้าค่ะได้ได mm. ้แต่ถ้าสติเรายังไม่ดีพอ mm. ก็อาจจะใช้พุโทโธพุโทโธไปก่อน ถ้าเรายังเข้าสมาที่ได้ไม่ชํานาญสลับกันไปก็ถ้าเราพิจารณามันจะเวลาไปนั่งมันอาจจะไม่มันไม่หยุดคิดมันจะคิดต่ออ๋อเจ้าค่ะเพราะว่าเคยพิจารณาบ่อยๆเรื่องหนังเนี่ยเจ้าค่ะแล้วแล้วเราเห็นใครเราเราก็รู้สึกว่ามันมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันหนังมันต้องเหี่ยวต้องย่นไปตามการลเวลาเจ้าค่ะ แล้วก็คําถามอีกที่หนูลืมถามหลวงพ่อก็คือว่าเอาแบบด่วนๆเนอค่ะหมายความว่าจะตายแล้วเอาด่วนๆเลยให้ให้ตัดร้างกายให้พินาแบบด่วนๆยังไงเจ้าค่ะตัดว่าร่างกายไม่ใช่เรานี่จะตัที่เราเป็นเหมือนคนไข้เราเป็นหมอ <laughs> เราเป็นหมอใช่ไหม<ช>เวลาคนไข้ตายเราเดือดร้นอนไหม เราไม่เดือดร้อนตอนน้องน่างกายเล้วจะเห็นคนไข้ไม่ได้เป็นเราเราเป็นหมอคือเราเป็นคนดูแลคนไข้ก็ดูแลไปถ้าคนไข้จะตายเราก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาตายไปให้เรารู้เราดูไปเฉยๆกับรเรารู้ว่าต้องปล่อยไงไม่ใช่เฉยๆอย่างเดียว อ, อรู้แล้วก็ต้องปล่อยต้องปล่อยให้เขาไม่ได้ไปเครียดกับเขาไม่ต้องไปทุกกับเขาอืมไม่ต้องไปอยากให้เขาฟื้นไม่อยากาให้ไม่ตาย ปล่อยใหเป็นไปตามความเปจริงของเขาถ้าเขายังอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปถ้าเขาตายก็ปล่อยเขาตายไปหรือว่าเราสอนใจเราว่าอันนี้ไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราไม่ต้องไปยึดนะใช่เป็นร่างกายเหมือนร่างกายของคนอื่นนะนะะให้แยกจิตออกมาร่างกายคนอื่นเราไม่ไปเดือดร้อนด้วยคนไข้เราเนี่ยไม่เดือดร้อนใช่ไหมเราจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขาะร่างกายเราก็เป็นเหมือนคนไข้นะคะ สุแล้วคือให้ซ้อมแยกกายเวทน า, าจิตเหมือนเดิมเจ้าค่ะก็ให้ใจผู้รู้รู้เฉยเฉใจไม่ได้เปน็นร่างกายจาาใจไม่ต้องไปเครียดไปทุกข์กับร่างกายาาเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะเอาท่านี้ก่อนในเวลาเกียรพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปคิดพิจรารณาไปปฏิบัติ